ขอความจเจริญในธรรมจะงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลมพระโพธิยานกำลังเสนอเรื่องอุเบขาบารมีซึ่งเป็นบารมีที่เวลาแสดงนั้นส่วนมากจะพูดถึงผลของอุเบขาบารมีจนในทศชาติก็ยกเรื่องพรมาณาตฤศีขึ้นก็หมายความว่า ท่านก็เจริญฌานมาจนถึงอุเบกขาฌานแล้วแต่ว่าที่จริงแล้วเบกขามีความลดหลั่นกันขึ้นไปเพราะเมื่อก่าวโดยองค์ธรรมก็คือเรื่องของปัญญานั่นเองแต่ปัญญาที่หนักไปทางการเพ่งพินิจแล้วก็ตรวจสอบดูความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเดียวนั้นแล้วก็ปรับสภาพใจตัวเองให้ ถูกต้องเหมาะสมแก่กรณีอย่างที่ยกตัวอย่างแม่มองดูลูกกำลังสอนเดินในช่วงแรกๆอาการะะระมัดระวังก็สูงพร้อมที่จะมุทิตาพร้อมที่จะกรุณาแต่พอเดินไปได้ดีมากยิ่งขึ้น อาการของมุติตากรุณาก็ลดลงไปมันก็กลายเป็นอาการอุบเบกขาสูงขึ้นพอลูกเดินได้เรียบร้อยมันก็หนักไปทางอุบเบกขาแต่ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนถ้าหากว่าการเดินของลูกเกิดมีปัญหาขึ้นมาอุบเบกขาข้อต่อไปเรียกว่าวิริยุเบกขาเปกขานะฮะ คือบบาใบไม้เนี่ภาษาบาลีไม่มีมันมีแต่ปอาปลาบนเสียงที่เราใช้เป็นบอใบไม้บางครั้งก็พอผ่านนะครับางครั้งก็เอปลาเวริยุเปรขาเป็นความเพียรอย่างกลางคือไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปก็เรียกว่าพอดีก็คือ มัิมาปฏิปทานนั่นเองเพียงแต่ว่าเน้นไปในขณะที่เจริญกรรมฐานคือการเจริญกรรมฐานเรากล่าวโดยสรุปว่าสมถะและวิปัสนาในบาลีจริงจริงเนี่ยพระเจ้าทรงใช้กรรมสัทธะกับสมถะก ว, วิปัสนาส่วนคำในการตอมาเรียกว่าวิปัสนาญาณิกสมถะญาณิวิปัสานา ก, กรรมฐานสมถะกรรมฐานในนีย เป็นคําในยุคหลังแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระแล้วก็เป็นอันเดียวกันสมถะแปลว่าสงบถามว่าสงบจากอะไรก็ตอบว่าสงบจากมิวรณทั้งห้าประการแต่ธรรมะที่เป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติก็คงใช้สามข้อหลักเหมือนเดิมคือสติสมชัญญะและก็ความเพียร ตรงนี้วันก่อนได้พูดถึงโพชก็เราจะสังเกตว่ามันก็พูดถึงสติวิริยะแล้วก็ธรรมวิจัยเราถามว่าคนละอย่างกันไหมหรือว่าอย่างเดียวกันที่จริงองค์ธรรมเหมือนกันธรรมวิจัยก็คือปัญญาก็คือสมมัญญะนั่นเองสติก็คือสติแล้วก็วิริยะก็คือวิริยะแต่ว่าบางครั้งเนี่ย ใช้ในแนวการปฏิบัติกรรมฐานจะทรงใช้กรรมอาตาปะแปล ว, ว่าความเพียรที่แผดเผากิเลสก็แสดงว่าความเพียร น, นั้นจะต้องใช้ทั้งทางกายและทางจิตยกตัวอย่างว่าการจเจริญสมถกรรมฐานเราจะเห็นว่าเราก็ใช้เรียบทุทกเรียบยี่เดินนั่งนอน ใ, นใช้ทั้งได้ทุกเรียบทแต่ว่านอนไม่นิยมใช้แต่นั้นเองเพราะนอนมันจะหนักไปทางเครื่อมหลับ คือหลับได้ง่ายมันเป็นไ้แต่ว่านอนมณสิการถึงกรรมาฐานเพื่อให้หลับได้ง่ายเช่นว่านอนนอนงายแล้วก็วางอิริยบทให้มันดีวางมือวางเท้าให้ดีเราตั้งสติระลึกมาตั้งแต่ปลายเท้าระลึกตามขึ้นมานะคล้ายๆกับเราลูกตัวเราแต่ว่าใช้ตาใช้ใช่ใชจิตนะใช้จิต แล้วลึกตามขึ้นมาเรืเ่อยๆเพื่อจิตมันนิ่งจิตสงบแล้วก็กลายเป็นหลับก็หมายความว่าไม่ได้เร่งปริมาณความเพียรให้สูงแต่ทให้ใจมันน้อมเข้าไปหาความหลับแต่ประการเจริญตรงนี้คือหมายความว่าเอาใจอยู่ตรงกลา ง, ลางเพราะอย่างที่บอกแล้วถ้าใจมัน ไปหนักตา้งความเพียรหนักเกินไปยิ่งเกินไปเร็วยิ่งเกินไปคือมากเกินไปใจก็จะฟุง้งพอฟุ้งมันจะเกิดอาการของนิวรข้อแรกก็คือก็เรีกอุทจจะคือฟุ้งสัน้นพอฟุ้งมากๆแล้วก็รําคาญคือหงุหงิดก็กลายเป็น ก, กุกุจจะคืองุดหงิดงุนงิด ต, ตัวเองนะฮะสลัดความฟุ้งสั้นไม่ได้ก็เกิดหงุดหงิด แล้วก็อาจจึงเป็นโทสะคือเป็นพยาบาทขึ้นมาได้เพราะถ้ามันมันยิ่งเกินไปเนี่ยแทนที่จะเกิดเป็นความสงบ ม, มันกลายเป็นความพุ่งไปเลยทีนี้สมมติว่ามันหย่อนเกินไปหย่อนเกินไปก็จะน้อมกรหาความหลับคือง่วงง่วงซึมก็เรียกอาการของทีนะทีนะมิทะ เร่เว่งเหงาเอานอนซึ่งซึมน้อยเหงาปวดหูเคลอบเคลิ้มจุดชืดชาเย็นเหนื่อยหน่ายแล้วก็เซ็งๆแล้วก็หลับไปเลยเพรา ะ, ะนั่นก็มีหน้าที่ดูดูจิตว่ามันเป็นยังไงดูที่ความเพียรดูที่สติดูที่สมัชย์ยะตอนแนคนสมถะกรรมฐานนั้นจะใช้สตินําคือสติระลึกรู้อยู่ตรงใดตรงหนึ่งเช่นสมมติว่า เราจเจริญพุทธานุสติก็ตั้งสติระลึกอยู่ที่บทภาวนาพุทโธอาจใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโธหายใจเข้าพุทโธหายใจออกว่าพุทโธตรงนี้ที่จริงประเด็นตรงนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ไปติดใจอะไรนะคือพวกอารมณ์เขาเรียกพวกอารมณ์พวกนี้ยอารมณ์กรรมฐานเนี่ยมันทําอะไรก็ได้หายใจมันสงบก็แล้วกัน มันท่านจึงอุปมาว่าจิตเราเนี่ยเหมือนกับลูกสุนัขที่กำลังสนเราต้องการจะควบคุมลูกสุนัข ก, ก็เอาเชือกมาผูกคอแกไว้แล้วก็ด้านหนึ่งก็ผูกที่ไหนก็ได้ถือแม้แต่ถือไว้ก็ได้สุนัขแก ก, ก็ดินดินก็นเชือกขาดเชือกขาดก็ผูกใหม่จนในที่สุดแกก็หยุดดินแล้วก็นอนอยู่แถวแถวนั้น ใจิตใจพวเราที่ฝึกให้สงบ ม, มันก็มีลักษณะอย่างนั้นอาจจะภาวนาว่าอะไรก็ได้เมื่อก่อนยังมีขำมันมีเจ้าหน้าที่ของโครงการศาสนาก็าโทรมาสอบถามเรื่องออนักพระรักบวชอะไรเนี่ยแถวเมืองการบอกว่าเพ่งอึคือเพ่งดูอุจจาระแล้วก็จะปปา่าไปเป็นความผิดปกวันผิดอะไรหรืมว่าไม่ได้ผิดอะไรนะครับ หรือจะดูอะไรก็ตามนั้นแสดงว่าเขาเจริญพวกเขาเรียกว่ า, าหาเรปฏิกูลสัญญาคือดูความปฏิกูลของอาหารในช่วงที่มันออกมาจากหลังกายเลือาหายนี้มันดูได้ทุกช่วงนะฮะจนถึงขับถ่ายออกมาก็กลายเป็นอารมณ์กรรมฐานได้มันไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ประเด็นที่เรามาชี้ผิดชี้ถูกเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ในการทำจิตส ง, งบเท่านั้นเอง เพันแนวตรงนี้ก็คล้ายๆกับถนนมันเป็นมรรคนะอย่าลืมหมดพวกนี้เป็นอริยมรรคอย่างสมถะกรรมฐานนี่คือสมายวายามะสมาสติสมาามธิเป็นตัวหลักทวิปัสสนกรรมฐานก็คือสมาธิสมาธิาาาาาากำปั้ก็ไม่ไปไหนอะฮะไปก็ อ, อยู่ที่อริยมรรคนี่แหละท่านจึงนิยามเอาไว้ง่ายๆก็จะประเด็นง่ายๆแต่ทับยากนะ ว่าการปฏิบัติอย่างไรก็ตามที่เป็นไปเพื่อความสงบระงับแผงนิวร์ทั้งห้าประการลงไปได้กับปฏิบัตินั้นเรียกว่าสมถะเพราะรูปแบบจึงไม่จำเป็นเร่ น, เนี้บางครั้งบางคราวเราก็เฉียงในเชิงรูปแบบกันเกินไปบางครั้งก็ไปปฏิเสธรูปแบบตรงนั้นนะฮะเช่นเวลานี้แนวที่ดังๆที่ปรากฏชื่อเสียงกันมากนะี่ยประมาณสักสี่ห้าหกแนว แนวหนึ่งก็คือพุทโภก็สืบเนื่องมาจากหลวงปู่มัน่นก็พุทโภแล้วก็แนวหนึ่งก็คือสัมมาอรหังก็สืบเนื่องมาจากหลวงพ่อวัดปากน้ําก็เกรงว่าหลวงปู่วัดปากน้ําก็ได้นะท่านนานแล้วแล้วก็แนวหนึ่งก็คือยุบหนอพองหนอพวกนี้ออกมาจากพมา่าโดยท่านเจ้าคุณ าาต่อมาตอนท่ามมรณภาพเนี่ยชื่อว่าธรรมธิราชมหามุนีเจ้าคุณโชดกแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือดูมือนะฮะดูมือยกมือยกมือแล้วก็ยกขึ้นยกลงแล้วตั้งสติระลึกดูที่มืออยู่ไปเรื่อยๆนะอีกกลุหนึ่งก็ดูรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนนะตั้งสติระลึกอยู่ตรงนั้นที่จริงก็ก็ไมหวานคล้ายๆนะฮะ ตรงนี้มันเป็นแค่ถนนเท่านั้นเองปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนี้ปัญหามันว่าไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่เพราะาจุดหมายปลายทางมราสมาถานนี่คือได้ฌานแต่ว่าเราก็พูดถึงสงบนิวรณนอะ่ะดูระดับสงบนิวรณนะ์ลงไปได้ทีนี้อุเบกขาในแนวเนี้ไอ้ลองสังเกตว่ามันไม่ใช่ไปโ จ, จงระดับของกรรมฐานไปเลย แต่เป็นการดูที่จิตเราเองตรวจสอบตัวเองแล้วก็แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองแนวกรรมฐานดูไปแล้วคล้ายๆกับเราไม่ใช่เกิแนวอุเบกขานะะก็ดูแล้วคล้ายๆกับเรามองดูหน้าเราในกระจกคือถ้าไม่มีปัญหาก็คือไม่มีปัญหาแต่ถ้ามีปัญหาตรงไหนล่ะมันมีจุดดำจุดดา่างมีสกปรกมีมีปัญหาตรงไหนก็แก้ไขตรงนั้น นะเสร็จแล้วก็มองดูเฉยๆก็เรียบร้อยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเะราะนการเจริญกรรมฐานทั้งสองประการเราคงไม่พูดเรื่องกรรมฐานนะะแต่ว่าสมถกรรมฐานก็คือทำใจให้ส ง, งบให้ส ง, งบอยู่กับอารมณ์ที่ปรากฏในขณะนั้ น, น, น ก็แล้วแต่เพราะงั้นบางครั้งอาจจะประคองจิตบางครั้งอาจจะคมจิตบางครั้งอาจจะห้ามจิตบางครั้งอาจจะกั้นจิตบางครั้งอาจจะยกจิตก็ไม่รู้จิตมันเป็นยังไงจิตมันเป็นยังไงก็ดูมันอย่างนั้นว่าจิตมันตกก็ต้องยกขึ้นนะฮะถ้าจิตมันสายนะฮะต้องประคับประคองเขามาหรือจิตมันนิ่งกจิตมันเดินไปได้ดีนะฮะก็รักษาไว้รักษาสภาพจิตตังนั้นนะจิตมันแกวง กิจเป็นแกว่งจิจเป็นสับสนก็พยายามที่จะควบคุมให้มาอยู่มันก็ดูแล้วคล้ายๆกับเราขับรถอนะ่ก็ขึ้นอยู่กับสถานาภาพของรถเวลานั้นเป็นอย่างไงทำอย่างไงจึงจะเกิดความสวัสดีก็ทําอย่างนั้นเป็นภาคสนามภาคสนามก็กลับไปตรงเนี้ยกลับไปดูที่เหมือนกับฝึกให้ลูกเดินนะฮะ มันเป็นภาคสนามภาคสนามตอนนั้นมันเกิดเปลี่ยนแปลงอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าปฏิบัติให้เหมาะควรแก่กรณีตรงนั้นแล้วถ้าว่าจิตมันเดินไปได้ดีๆคือสงบงอยู่ได้นะอุเบกขาคุยใจก็ทำมัธยัติเป็นกลางเพราะว่าเวลาสมาธิก็เดินไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยจนถึงจุดของเรียกว่าจตุตฐานมันก็เกิดอุเบกขาระดับชานขึ้นมา ก็มีความเข้มข้นแต่ตรงนี้ตอนตอน้ตนๆก็ไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่หรอกทีนี้วิปัสสนากรรมฐานมันก็เป็นเช่นเดียวกันเราลองดูง่ายๆนะวิปัสสนากรรมฐานเช่นสมมติว่าเรา ม, ามองดูคนป่วยท่นป่วยนานแล้วก็เราก็เข้าใจเหตุผลพอสมควรนะนะว่าไม่รอดแน่ ท่านจะเป็นบุปการีท่านจะเป็นลูกหลานท่านจะเป็นอะไรก็ตามนะฮะเราก็มองก็ ท, ทํำถ้าที่ทําได้บางทีก็ดูใจก็เรียกว่าดูใจกันเท่านั้นเองเรื่องอย่างอื่นก็เป็นเรื่องของหมอพอถึงจุดหนึ่งนี่จิตมันมันนิ่งอะมันปรง่งปกแล้วก็พอท่านตายก็เลยคนทุกคนร้อนไป ถ้าฟังนึกออกถึงคาถาบทหนึ่งไหมที่พระธัญชายชักผ้าบังสกุลทรงสอนในพิจารณาว่าอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหน อ, อุปดวยะธรรมิโนมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอุปชิ ต, ตวานิรชันติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเตสังวุปสมโสุขโขการทำจิตให้สงบระงับในสังขารทั้งหลาย ได้ก็เป็นความสุขเพราะงั้นในจิตที่มันสงบเนี่ยมันขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงนิพพานนะนะแต่ว่าตรงนี้เราเอาเราดู ง, ง่ายๆว่าเราปรองตกในเรื่องเหล่านั้นได้หรือไม่ถ้าปรงไม่ตกท่านควรจะตายตั้งนานแล้วออสายระโยงระยางไปใส่เอาไว้แล้วก็ไม่รู้ทำเพื่ออะไรนะฮะทรมานท่าน พอท่านตายยังอุตส่าห์ร้องหม่ร้องไห้อีกอันนี้ก็แสดงว่าขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาและจะให้ทำยังไงมันมาถึงจุดนี้แล้วจะให้ทำยังไงก็คือตายแล้วถ้าเรามีปัญญามองได้ไกลกว่านั้นเราก็อาจจะบอกว่าไปดีเถอะขอให้ไปดีท่านไปได้ท่านพ้นทุกไป ท่านไปได้ดีแล้วทนไปเกิดความสุขแล้วเราก็จิตใจก็ไม่ไม่แฟบนะแต่ว่าจิตใจมันจะฟูขึ้นว่าเออต่อไปก็ถึงเราบ้างนะได้ธรรมะได้อะไรก็เกิดขึ้นได้เยอะนั่นก็คือการประคับประคองใจยอมรับความจริงว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นเอง ซึ่งบางครั้งบางคราวมันอาจจะประสบความสูญเสียอย่างแรงแต่ว่าถ้าใจมันมีหลักตรงนี้ได้นะมองก็เรียกว่ารู้เท่าทันเรงความจริงเยวก็ตั้งหลักตัวเองให้ได้อย่างที่ท่านเล่าถึงนางมาริกาเทวีฉายาของท่านพันธุรเสนาบุตรีแต่นั้นท่านเป็นระยะบุคคลพระพระยะบุคคลระดับโซดานะฮะ ก็เข้มข้นสูงหน่อยแต่ว่าเราก็ถือเป็นแบบได้ระดับหนึ่งท่านเกิดลูกแฝดฝาแฝดตั้งเท่าไหร่ล่ะสิบหกคู่นะฮะเกิดดูตรลุดดีจังเหมือนกันฮนะสามสิบสองคนคือคนบางทีฟังแล้วไม่เชื่อแต่ถ้าเราไปดูเรื่องบางเรื่องเคยเจอมาเคยเจอในสิบสี่ 14, นี่แฟดสิบี่นี่เคยเจอ ก็ไม่เบานะะแปดสิบสีคู่เนี่ยเราก็เนืกอดูว่ายี่สิบแปดละก็ไม่ใช่เล่นนะสมัยตอนนั้นยังยังเด็กเด็กสมัยชมพลปอที่เขานิยมให้มีลูกมากมากเนี่ยแม่แห่งชาติ อ, อะไรอะไรเกิดกลูกมากมาก้รับการยกย่องด้รับรางวัลรู้สึกจะได้เงินจากรัฐด้วยซ้าไปแล้วก็เป็นไปนได้แต่ว่าประเด็นสงคัญเนี่ยว่า สามีกับลูกชายของท่านเนี่ยถูกถวายตรงกันข้าใส่ร้ายป้ายสีจนพระราชาซึ่งเป็นพระเสาหายกับพระเจ้าปเสนนิโกศลนี่จึงเป็นสาหายกันนะฮะเดี๋ยวท่านก็เป็นกษัตริย์ด้วยนะฮะพันธุราเสนาบดีเป็นพวกมันละเพียงแต่ว่าก็มาอยู่รับราชการให้เพื่อนแล้วก็เป็นเจนาบดีให้เพื่อนแล้วก็รอเพื่อนเกิด หวาดระแวงขึ้นมาก็เลยวางแผนฆ่าเลยคนก็แจ้งข่าวให้นางมาดิกาทราบว่าลูกและสามีถูกฆ่าตายนางอ่านแล้วก็ทําใจเป็นกลางเห็นไหมอันนี้คือลักษณะวางเฉยมันเห็นจริงมันมั น, ม, นมันแก้ไขอะไรไม่ได้เนี่ยมันตายแล้วอ่ะคนตายก็ได้ตายไปแล้วมันแก้ไขอะไรได้อย่างสำนวนจีนนี่ก็บอกคนตายแล้วไม่มฟื้นคืนอ่ะ ก็สงบใจไว้ได้ต่อมานางถาศีเขาถืออาหารแล้วก็สะดุดมุมเสือ่อแล้วก็ขมาไปกับพาะ น, นะตกลงแตกประสานิบุตรก็คงจะประรบเรื่องที่สามีตายนั่นแหละท่านก็บอกว่าสิ่งต้องแตกเป็นธรรมดาก็ได้แตกไปแล้วบุคคลไม่ควรคิดอะไรมากนางก็ดึงอดสองจดห ม, มายมาแล้วก็อ่านให้ฟัง บอกว่าเนี่ยขนาดว่าครอบครัวตายหมดนะนันยังไม่เสียใจเลยกับภาษาอะไรจะไปเสียใจกับเรื่องตรงนี้แลว้วก็เกิดจากการอุเบกขาซึ่งยังบอกว่าอุปาอิขะคือเพ่งดูนะมันเข้าไปเพ่งดูแล้วก็พอสิ่งล่านั้นเกิดคล้ายๆกับงานวิจัยอะไรเนี่ยนะ วิจัยเราก็พอเห็นมันเปลี่ยนแปลงก็เออเป็นธรรมดานั่นเป็นอย่างนั้นนั่นเป็นอย่างนั้นนั่นเป็นอย่างนั้นก็ธรรมดาแล้วก็เสร็จแล้วก็วององด้วยความวางเฉยได้ให้เราสังเกตไปตรงเนี้ความรู้สึกผูกพันเนี่ยมันจะต้องน้อยนะฮะความรักความชังเนี่ยต้องน้อยพราะเราจึงสามารถอธิบายปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตของบุคคลอื่นที่เกี่ยวกับสภาวธรรมเช่นคน ต้องตายลงต้องพลัดพรากต้องสูญเสียต้องเกิดอุบัติเหตต้องอะไรเนี่ยนะ เ, เราไม่มีความรู้สึกผูกพันด้วยความรักความชังเราสามารถอธิบายชี้แจงให้คนอื่นก็เกิดความเข้าใจได้ก็แสดงเห็นว่าจริงๆแล้วเพื่อนจิตเราเนี่ยมันก็มีวิปัสสนาอยู่ไม่เบาเหมือนกันเพียงแต่ว่าพอผมเข้าตาตัวเองมันออกไม่ได้อนี้คือตัวยุ่ง บางทีเพลงเพลิงอะไรแต่ไรเพลงเก่าๆนะโดยเฉพาะเพลงเก่าเนี่ยมันไม่ใช่เล่นนะมีความไพเราะมีความสะท้อนสัจธรรมของชีวิตออกมาทาให้เกิดการปรงตกในอารมณ์ทั้งหลายได้เพราะแนววิปัสสนาเนี่ยที่จริงมันมันมันก็กดธรรมชาติอนะ กฎเกณฑ์ต่างๆที่ท่านแสดงเอาไว้เช่นว่ายศและลาบผับไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตน ก, ก็ยังเอาไปปลอกไฟเห็นว่าตังนี้ก็คือวิปัสสนามันเป็นการเรียนรู้ถึงความจริงของชีวิตว่ามันเป็นเข้ามันอย่างนี้แหละแล้วเราก็ไปแก้ไขอะไรไม่ได้ทุกไปก็เท่านั้นดีใจไปก็เท่านั้นมันมันได้อะไรขึ้นมา พะ้นก็เสียเท่าที่เสียไม่เพิ่มความสูญเสียจะเป็นอาการหนึ่ ง, งของระดับวิปัสสนาหรือว่าสงบใจก็จบแล้วคนตายก็ได้ตายไปแล้วมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้ร้องไห้มันก็เป็นเพิ่มปัญหาเท่า น, นั้นเองไม่ได้แก้ปัญหาอะไรแล้วก็ทําใจคนต้นให้สงบวันอุเบกขาในวิริยุเบกขาเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ย มันเป็นเรื่องที่เราจะ ต, ต้องมีตลอดมีตลอดในจิตใจของเราคือใช้ความเพียรพยายามที่จะระมัดระวังจิตนะอย่าให้แกวง่งอย่าให้แกว่งไปด้วยความรักและความชังแล้วตัวเองก็สงบบ้างรู้บ้างสงบบ้างรู้บ้างก็แล้แต่นะใช้ความสงบคือใช้สติปิด ก, กัน้นไะบ้างนะใช้ปัญญาวินิจฉัยบ้างตามรุคงวักคลักษณะาอารมณ์ที่มากระทบ ทีนี้ถ้าเราทำใจสงบ ป, ป น, นิวนมันก็สงบ ม, มันก็เป็นสมถะเพราะ บ, บางทีในท่านจึงเรียกสมถะว่าอารามณูปนิชฌานคือเพ่งดูอารมณ์อะไรก็ตามนะฮะเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดลมด้วยจมูกริ้มด้วยลิ้นถูกตรงด้วยกายก็เพ่งให้จิตมันเกาะอยู่ตรงนั้นให้สงบอยู่กับตรงนั้นแล้วก็รู้เท่าทันเน่งความเปลี่ยนแปลง เพาะในขนาะนั้นแหละมานานจะเป็นสมปทก็ได้เป็นวิปัสสนาก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าธรรมะกลุ่มใดเขาเกิดขึ้นสูงภายในจิตเราก็ใช้สติเราก็ใช้สัมมาชัญญะก็เป็นการป้องกันบาปไอขจัดบาปแล้วก็เพิ่มกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเพิ่มกุศลนะการเพิ่มกุศลที่นี้กุศลที่เพิ่มเขาเนี่ยเขาป้องกันบาปขาจัดบาปให้เองแล้วก็ เมื่อปริมาณกุศลเพิ่มขึ้นมันก็รักษาไว้ได้โดยอัตโนมัตินี่ก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของอุเบกขาซึ่งมันมีความประณีตมากยิ่งขึ้นแต่คุณภาพจิตก็สูงขึ้นนะฮะมีความสงบมีความรู้โดดเด่นปรากฏแก่จิตของบุคคลมากยิ่งขึ้นต้องฝั่งเท่าไหร่ใตรลุระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไผบูรในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี